อะไรเป็นอัดแห่งสัจอยากก่อนสภาวะใดนในที่พระโยคาวจรทั้งหลายเข้าไปพิจารณาโดยปัญญาจักสุกก็ไม่เป็นสภาวะที่วิปริตเหมือนอย่างนักมายากลถ้าเข้าไปพิจารณาแล้วนะไม่วิปริตเหมือนมายากลนะไม่เป็นสภาวะที่ลวงเหมือนพยับแดดและไม่เป็นสภาวะที่ใครๆหาไม่ได้เหมือนอย่างอัตตาของพวกดือดทิ โดยที่แท้เป็นโคจรแห่งยานทัศน์ของพอระอริยเจ้าเข้าใจคําว่าเป็นโคจรของญาณทัศน์ของพอระอริยเจ้าไหมเป็นที่ท่องเที่ยวของปัญญาของพอระอริยท่านนะี่ั้นพระอริยะทั้งหลายเวลาท่านคิดเนี่ยนะท่านก็คิดถึงอัตของอริยสัตว์นี่แหละท่านถึงบอกว่าโดยที่แท้เป็นโคจรแห่งยานของพอระอริยโดยเป็นสภาวะที่แท้ไม่วิปริตและเป็นจริง ซึ่งมีประการที่จะเบียดเบียนเป็นแดนก่อให้เกิดขึ้นและเป็นแดนสงบเป็นที่นำออกไปเท่านั้นนั้นเพิ่งทราบว่าความเป็นสภาวะที่แท้ไม่วิปริตและเป็นจริงเหมือนอย่างอะไรลักษณะของไฟและเหมือนอย่างลักษณะเหมือนอย่างปกติของโลกเนี่ยในข้อนั้นความร้อนชื่อว่าเป็นลักษณะของไฟนะใช่ไม่ใช่ร้อนเนี่ยความร้อนนี่เป็นลักษณะของไฟไหม ลักษณะของไฟนั้นจะไม่เป็นการหลวงด้วยการทําลายความด้วยการทําลายเชื้อมีไม้เป็นต้นหรือจะไม่เป็นการวิปลาดหรือจะไม่เป็นความจริงในที่ใดแม้ในที่ไหนๆเลยธรรมชาติทั้งหลายมีความเกิดเป็นต้นที่กล่าวแล้วดังที่ได้กล่าวสัตว์ทั้งหลายมีความเกิดเป็นธรรมดาไหมมีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาพึงทราบว่าเป็นปกติของโลกไหมเป็นปกติของโลกไหม นั่นแหละเขาเรียกเป็นปกติของโลกของโลกธรรมชาติทั้งหลายมีอาธิว่าสัตว์เดราาัจฉานทั้งหลายมีลำตัวยาวไปตามขวางมนุษย์เป็นต้นมีลำตัวสูงขึ้นข้างบนถึงความเจริญสุดยอดแล้วก็ไม่เจริญต่อไปชื่อว่าเป็นปกติของโลกอีกประการหนึ่งเหมือนกันทุกที่จะไม่เบียดเบียนมีหรือไม่มีฉะนั้นทุกนั้นอัจของเขาจึงมีการเบียดเบียนเป็นลักษณะสิ่งอื่น จากทุก์ที่เบียดเบียนก็ไม่มีฉะนั้นทุกจึงตัดว่าเป็นสัจจะเป็นสัจจะเพราะกําหนดเป็นธรรมชาติที่เบียดเบียนนั่นเองเร่าร้อนแล้เบียดเบียนเว้นตัณหาเสียทุกก็ไม่มีเหตุกกิดตัณหานั้นไม่มีทุกขนั้นก็ไม่มีเพราะเหตุนั้นตัณหาจึงตัดว่าเป็นสัจจะเพราะเป็นเหตุของอะไรเป็นเหตุของทุก์เพราะความสงบอื่นนอกจากนิพพานไม่มี นิพพานไม่มีความสงบก็ไม่มีฉะนั้นนิพพานจึงตรัสว่าเป็นสัจจะเพราะกาหนดโดยความเป็นธรรมที่สงบเนี่ยนะเพราะเครื่องน้ำออกอื่นจากมรรคก็ไม่มีมรรคนี้เป็นเครื่องน้ำออกอื่นก็มีฉะนั้นมรรคจึงตรัสว่าเป็นสัจจะเพราะความเป็นธรรมชาติเป็นเครื่องน้ำออกอย่างแท้จริง ด้านบัณฑิตทั้งหลายจึงกล่าวความแท้ความไม่คลาดเคลื่อนและความเป็นจริงในสัจจะทั้งสี่มีทุกเป็นต้นโดยความต่างอัดถึงสัจจะดังประการดังที่ได้กล่าวโดยสรุปตรงนี้ก็คือว่าทุกเนี่ยมีการเบียดเบียนเนี่ยนะอัดของเขาเนี่ยนะถ้าถามบ อ, อกว่าทําไมจึงเรียกว่าสัจจะเพราะเขาเบียดเบียนไงความจริงของเขาก็คือมีการเบียดเบียนมีชาติทุกชราทุกมรณะทุกเป็นต้นเนี่ยมีความเบียดเบียนเป็นลักษณะ ตัณหาทําไมจึงเป็นสัจจะเพราะเขาเป็นเหตุแห่งทุกข์เหตุอื่นนอกจากตัณหาไม่มีตัณห า, าเป็นเหตุของทุกข์นิโรธเน่ยนิพพานเนี่ยเป็นความสงบนียความสงบอื่นนอกจากนิพพานไม่มีฉะนั้นจึงเป็นสัจจะจึงเป็นความจริงอย่างหนึ่งแล้วมรรคนี่ละ่ะนําออกถามว่าจะนําสัตว์ทั้งหลายออกจากวัตจทุกข์ได้นั้นเน่ยไม่มีสัจจะอื่นนะ อร like. ียมาร์กนี้เท่านั้นที่จะนำสัตว์อื่นออกจะนำสัตว์ออกจากวัตถุทุกได้นี้เป็นอย่างนี้นะ น, นัทุกสมูทายนิโรธมาร์กเนี่ยจึงเ ป, เป็นความจริงนะเป็นสภาวะที่แท้ไม่วิปริตเป็นจริงเป็นอย่างนั้นในธรรมทั้งหลายเนี่ยสัจจะทั้งสี่ทุกสมูทายนิโรธมาร์กเนี่ยนะที่เราไม่ได้ยินมาก่อนแต่การตรัสรู้นี่พระพุทธเจ้าท่านยืนยันนะก่อนที่ไม่ได้ตดรัสรู้นั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ยินมาเลย ไม่เคยได้ยินมาเลยนะเนี่ยไม่เคยได้ยินมาโดยในนี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกขนี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกเนี่ยไม่เคยยานนั่นแหละท่านกล่าวว่าจักสุเพราะมีความหมายว่าเหมือนจักสูุเพราะอัตถว่าเห็นประจักษ์ชื่อายานนะด้วยอัตถวรรู้เชื่อว่าปัญญาด้วยอัตถวรรู้โดยประการต่างๆเชื่อววิชาเพราะอัตถว่าแทงตลอดเชื่อวแสงสว่างเพราะอัตถว่าส่องแสงและกําจัดความมืดคือโมหะเป็นปกติของ เป็นอันปกปิดสัจจะในคํานั้นบึงทราบว่าทรงสแสดงขายไว้โลกียะและโลกุตระในสัจจะทั้ง4นั่นเนี่ในคําสอนวันนี้ทุกนี้ทุกขสมูไทยนี้ทุกกานิโรธนี้ทุกกานิโรธโาคาามินีปฏิปทาย่อมเป็นไปในเสกภูมินะการพิจารณาสัจจะทั้ง4ี่กำหนดรู้แล้วหนึ่งละแล้วหนึ่งทำให้แจ้งแล้วหนึ่งจเจริญแล้วหนึ่งย่อมเป็นไปในอเสกภูมิเข้าใจป่ะ ถ้าบอกว่าทุกขัริยสัตว์นี้ทุกนี้ทุกขันสมุทยัยนี้ทุกขนันิโรดนี้ทุกขนันิโรธคามินีเป็นไปในเสกขภูมิเป็นไปในเสกขบุคคลนั่นเองภูมิของพระเสกขบุคคลแต่ถ้าบอกว่ากําหนดรู้แล้วละแล้วกําหนดรู้แล้วนี่ละแล้วนี่กำหนดรู้แล้วนี่เป็นญานไหนเป็นญานไหนสัจญาน ละแล้วกิจยานนี่นี่ทำให้แจ้งแล้วกาตยานจเจริญแล้วที่จริงก็ว่าว่ารู้แล้วนี่คือกําหนดรู้แล้วนี่คือรู้ทุกเนละแล้วนี่คือละสมุทไทยทำให้แจ้งแล้วนี่คือทำนิโรธนี่นให้เป็นอารมณ์จเจริญแล้วคืออริยมรรคอันนี้ย่อมเป็นไปในอสิสภูมินะย่อมเป็นไปในอสิภูมิประการต่อมาก็คือยาวกีวันจะเมพิขเวเป็นต้นเนี่ยนะ คำว่ายาวกีวันจะมีพิกเวเนี่ยในบทเนี้ยายาวกีวันจะมีพิกเวอเมสุจเตูสุอริยสัจเจสุเอวันติงเอวังปเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังยาณทัศนังนาสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวหังพิกเวสเตวเกรโรเกสพามเกสมาระเกเป็นต้นดูก่อนพิกษุทั้งหลายเนี่ยนะตลอดการใดๆติปริวัตตังแปลว่ามีรอบสาม คือรอบทั้งสามนี้เรียกว่าสัจญานกิจยานกตยานก็รอบทั้งสมมีสัจญานกิจยานกตยานนั้นมีอยู่แก่ยาณทัศนะนี้เหตุนั้นญาณทัศนะนี้จึงเรียกว่าติปริวัตตังก็แปลว่ามีรอบสามในที่นี้ความรู้เป็นจริงในสัจจะทั้งสี่ในสอย่างนี้เนี้ยนี้ทุกขอริียสัต นี้ทุกขะสมุทายายสะชื่อว่าสัจจยานนะคือความรู้กิตที่ควรทำอย่างนี้ควรกำหนดรู้ควรละควรทำให้แจ้งควรเจริญชื่อว่ากิจยานยานคือความรู้ที่สัจจะนั้นให้กระทําแล้วอย่างนี้ว่าได้กำหนดรู้แล้วได้ละแล้ ว, ล ว, ลวได้ทาให้แจ้งแล้วได้เจริญแล้วชื่อว่ากตยานทวารทศาการังก็แปลว่ามีอาการสบสอง คืออาการในสั จ, จย์าตแต่ละอย่างแต่ละอย่างอาการสาอย่างเหล่านั้นน่ยนีบอว่ายาณทัศนังได้แก่ความเห็นเนี่ยกาวคือยานที่เกิดขึ้นด้วยาน้าถึงรอบสอาการ12นั่นเองนี่เป็นอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายตราบใดที่ปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงที่มีรอบสาอาการ12อย่างนี้ในอริยสัจสียังไม่หมดจดแกแต่ตถาคตดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตยังไม่ปฏิญญาณว่าเป็นผู้ตัสรุนุตรสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกที่มีเทวดามารและพรหมในสัตว์มีสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวโลกและมนุษย์ดูก่นพิกตัวทั้งหลายขับใดที่ปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงมีรอบสามมีอาการสิบสองอย่างนี้ในอริย ส, สัจสีได้หมดจดแกต ถ, ถาคต ดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตได้ปฏิญญาณว่าเป็นผู้ตัสรุนุตรสัมมาสัมปธาญาณอันยอดเยี่ยมในโลกที่เทวดามารและพรหมในเหล่าสัตว์มีสมณาพรามพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ปัญญารู้เห็นได้เกิดขึ้นแก่เราว่าความหลุดพ้นของเราไม่เสื่อมสู์ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่มีในการต่อไปนี่เนี่ยตรงนี้คืออย่างนี้ เธอบอกว่าอนุตตรางอภิสามโพธิ์ทิงความตัตทารุโดยชอบด้วยตนเองเว้นจากผู้ผู้ที่ยิ่งกว่าคือประเสริฐกว่าบุคคลทั้งพวงอีกอย่างหนึ่งได้แก่ความตัตทารุที่ประเสริฐเนี่ยก็คืออาราธมักของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านประสงค์คําว่าโพธิในทีน่นี้ฉะนั้นคําว่าโพธิเนี่ยตัตทรารสัมมาสัมโพธิสัมโพธิเนี่ยสัมโพธิยานเนี่ยเป็นญานเฉพาะของพระผู้มีพระภาคเจ้านีย ถ้าถามมาตรงนี้เลยอ่ะอารหัตธรรมของภาษาวกทั้งหลายจัดเป็นโพธิ์ที่ยอดเยี่ยมหรือไม่จัดไหมอารหัตธรรมของภาษาวกทั้งหลายนี่จัดเป็นโพธิที่ยอดเยี่ยมไหมจัดหรือไม่จัดตอบว่าไม่เป็นใช่ไหมถ้าบอกว่าไม่เป็นเพราะเหตุอะไรไอ้เพราะเหตุอะไรนี่แหละมันไม่รู้ก็ตรงที่ว่าเพราะเหตุอะไรเลยเเพราะเหตุอะไรตอบนะถูกนะเนี่ย เลยถามต่อไปว่าเพราะเหตุอะไรเพราะไม่มีได้ในคุณทุกอย่างอารหธรรของภาษาวกเหล่านั้นของบางท่านก็ได้แต่อรหัตผลอย่างเดียวบางท่านก็ได้วิชาสามบางท่านก็ได้พิญญาหกบางท่านก็ได้ปฏิสัมพิธายานสีบางท่านก็ได้สาวกบารมีญานแม้พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายก็ได้แต่ปัจเจกโพธิยานเท่านั้น แต่โพธิของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมได้คุณสมบัติทั้งปวงเป็นเหมือนการอภิเศกย่อมได้ภาวะคือความเป็นใหญ่ในโลกทุกอย่างแก่พระราชาเพราะเหตุนั้นโพธิแม้ใครๆอื่นจึงไม่ใช่เป็นการตัดสู้อย่างยอดเยี่ยมอภิสามพุทโธปัญญาปัจจัญญาสิงสิงเนี่ยนะเราได้ปฏิญญาณอย่างนี้ว่าเป็นผู้ตัดสู้แล้วได้บรรลุแล้วได้แทงตลอดแล้วคือตั้งคือตั้งอยู่เนะ ยานัน้นจะปนามีดัสนังอุดบาที่ก็ปัจเจเวขณาญาณอันสามารถจะเห็นคุณที่บังเกิดขึ้นตามความเป็นจริงได้มันเกิดขึ้นแก่เราทั้งหลายว่าอากุ ป, ปาเมวิมุตติยานอย่างนี้ว่าอราตะผลวิมุตติยานเหล่านี้ไม่กำเริบคือธรรมนี้เป็นข้าศึกทั้งหลายพึงให้กำเริบไม่ได้พึงทราบว่าเป็นวิมุตติอันไม่กำเริบด้วยอาการสองอย่างนะ ด้วยเหตุเล่าวคือมรคและด้วยอารมณ์นะจึงอยู่อราตผลวิมุตินั้นไม่กำเริบแม้ด้วยเหตุเพราะกิเลสที่มรคทั้งสี่ตัดได้ขาดแล้วและไม่หวนกลับมาอีกไม่กำเริบแม้โดยอารมณ์เพราะกระทาพระนิพพานให้เป็นอารม ณ, ใรมณ์ให้เป็นไปนั่นเองถ้าถามบอกว่าโลกียสมาบัตทั้งหลายซึ่งไม่ได้มีนิพพานเป็นอารมณ์ไม่มีความกำเริบนั้นนะถามบอกว่าอันติมาก็แปลเป็นที่สุดท้าย อธิธานิปุณาพโวโขขึ้นชื่อว่าพบอื่นไม่มีอยู่ที่จริงนะถ้าดูตรงนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยตัตสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยต่างจากสาวกตัตสรู้ใช่ไหมเพราะพระพเจ้าตัตสรู้แล้วได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ทุกสิ่งทุกอย่างฉั้นในพระสูตรนั้นนะนะถ้าจะ ด, ดูจากความหมายต้อบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าแทงตลอดเนี่ยนะปาสจักธุรี เขาปราจากธุรีทั้งหลายทุรีคือราคะอันยังสัตว์ทั้งหลายไปสู่อาบายเป็นต้นวีตมารังก็แปลว่าชื่อปราศจากมนินเพราะความปราศจากมนินคือทิฏฐิวิจิกิจชาที่ทั้งหลายเป็นต้นนั่นเองถ้าเรามองในลักษณะอย่างนี้เ อ, อดูธรรมจักรน่อธรรมจักมีกี่อย่างทนี้เดี๋ยวดูธรรมจักนะธรรมจักมีกี่อย่างธรรมจักมีอยู่สองอย่างคือปฏิเวทธรรมจักรแล้วก็เทศนาธรรมจกักร ปฏิเวทธรรมจักนั้นนะ่ยดูตรงไหนที่บโพทิบาลังเทศนาธรรมจักรก็ที่ป่ายิสิปตนามฤุกทายวันทำมันจะประวัติเตรธรรมจักจักกันนะเป็นที่ตน้ตนๆที่บอกว่าธรรมจักและจักให้เป็นไปท่านกล่าวโดยปฏิเวธธรรมจักรจักกันจักประวัติเตติทำมันจักนั่นนะ่ยทรงให้จักและทำเป็นไปท่านกล่าวถึงเทศนาธรรมจัก พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งที่บริเวณโพธิบาลังเนี่ยนะยังทำมีประเภทเป็นต้นว่าพระพุทธเจ้าตอนที่ประทับนั่งที่โพธิบาลังเนี่ยนะทำอินทรีห้า 5, พละ ห, าะหาะ้าโพธิทำสติประธานสี่สัมมาประธานสี่อิทิบาสีอินทรีห้าพละหา้าโพชชงเจ็ดอริยมัชมีองค์แปดให้เป็นไปในขณะแห่งมัชอันนั้นนั่นแหละชื่อว่าจักชื่อว่าจัก เพราะเป็นไปเพื่อฆ่าศัตรูคือกิเลสดุด จ, จักสำหรับประหารเนะในขณะนั้นเนะ่พระผู้มีพระภาคเจ้ายังจักคือธรรมนั้นให้เป็นไปชื่อว่ายังจักให้เป็นไปคือด้วยท่านกล่าวเป็นคาสอนที่ว่าจักคือธรรมนั้นพระผู้เจ้าประทับที่ไหนในขณะที่ประทับนั่งที่ป่ายิสุปตนามรุกทายวันเทศนาให้เป็นไปเป็นไปเพื่อฆากิเลส พสามบอกว่าในขณะที่บริเวณนั่งที่บริเวณโพธิบัลลังก์นั้นนะ่ะฆ่ากิเลส ข, ของใครทำสมาธิทำ ส, สติปัฏฐานส ม, มปัฏฐานอิทธิบาทอินทรียภาระพุทธชงอริยมรรคให้เกิดขึ้นในขันธสันดานแห่งตนเองตอนนั้นฆ่ากิเลสให้ใครฆ่ากิเลสให้ตนเองอันนั้นเรียกว่าปฏิเวธธรรมจักรแต่ต่อมาพระพุทธเจ้าก็ทําสติปัฏฐานส ม, มปัฏฐานอิทธิบาทโพุทธชงองมรรคเป็นต้นให้เป็นไป ให้เป็นไปในไหนในสันดานของเวณนยศั์อันนั้นเรียกว่าอะไรเรียกว่าเทศนาธรรมจักรอันนั้นที่ไหนที่ป่าอิสิ ป, ปัตนะมฤคทายวันเป็นต้นฉะนั้นธรรมจักมีกี่อย่างสองอย่างคือปฏิเวทธรรมจักรกับเทศนาธรรมจักรปฏิเวทธรรมจักนั้นเน่ยเป็นคุณกับพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรง แต่เทศนาธรรมจักนั้นเป็นคุณแก่เวนยสัตว์คือสัตว์ที่มีเวนัยนะฉะนั้นธรรมจักและจักกันเบนไปเพื่อประโยชน์แก่ธรรมในสันดานของเวนยัยสัตว์เนี่ยนะความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้มีธรรมและเป็นเจ้าแห่งธรรมพระมหากัจรนะตรัสว่าดูก่อนอุโสทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นน่ยผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นเป็นผู้มีพระจักษุเป็นผู้มีพยานเป็นผู้มีธรรม เป็นพรมเป็นผู้เผยแผ่เป็นผู้ประกาศเป็นผู้ขยายเนื้อความเป็นผู้ได้ให้อมาตธรรมเป็นเจ้าของแห่งธรรมเป็นพระตถ า, าคตเพราะฉะนั้นท่านจึงตรัสว่าธรรมจักเพราะจักแห่งธรรมดังที่ได้กล่าวเลยนะนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้นะจากข้อความตรงเนี้ทําให้เราเข้าใจบอกว่ า, วาปฏิเวทญาณและเทศนายานชื่อว่าจักเพราะอา จ, จว่าให้เป็นไปนะ เหตุนั้นธรรมจักรนั้นน่ยแม้ปฏิเวทยานอันมีอาการ12ซึ่งเกิดในสัจจทั้ง4รู้จักอาการ12บสองไหมอาการ12บนี่เขานับยังไงอาการ12ซึ่งเกิดในสัจจทั้ง4ี่่แกพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ประทับนั่งเหนือโพธิบัลลังก์เทศนายานที่แสดงว่าสัจจเทศนามีอาการ12ของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ประทับนั่งที่อิสิปตนนัมเมลกกฐายวันก็ชื่อว่าธรรมจักร และยานทั้งสองอย่างนี้เป็นยานที่เป็นไปในอุราของวทศพล น, นั่นเทียวพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศญานทั้งสองนั้นด้วยเทศนาชื่อว่าทรงยังธรรมาจักให้เป็นไปแล้วธรรมจากนั้นชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ากําลังให้เป็นไปกําลังให้เป็นไปตาบ้เจ้าที่อัญญาโกนัญญายังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมยังไม่ได้โซดปฏิผลเนืพร้อมด้วยพรมสิบแปดโกดเพรา ะ, ะกิจคือการให้เป็นไป ยังไม่สำเร็จเมื่อพระอนัญญาโกณทิยาตั้งอยู่ในโสดาปิผลจึงชื่อว่าทรงให้เป็นไปแล้วเพราะยังธรรมจักที่ยังไม่เคยให้เป็นไปได้แล้วจำเดิมแต่ศาสนาของกัสป่าสัมมาสัมพุทธเจ้าอันตรธานจนถึงพุทธบาทการตลอดการมีประมาณเท่านี้เออถ้าพิจารณาอย่างนี้ว่าเทศนาธรรมจักเนี่ยพระพุทธเจ้าทาให้เป็นไปในขนาดไหน ในขณะที่อัญญาโกนธัญญาพร้อมด้วยพรหมอีกสิบแปดกอดได้ดวงตาเห็นธรรมเนยได้เป็นโสดาบัน น, น, นั่นเลยในขณะนั้นชื่อว่าธรรมเทศนาธรรมจักเนี่ยนะเทศนายานเนี่ยนะเทศนาธรรมจักเนี่ยนะให้เป็นไปในในขันธสันดานของเวไนยสัตว์ให้สังเกตดูนะว่าพอสิ้นศาสนาของ กัสป่าสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออันตราธานไปแล้วนับตั้งแต่บัดนั้นไม่มีสัตว์ตนใดได้ตัดสรูร้เลยยาวนานแล้วโลกก็ถึงความมืดมิดมาตลอดใช่ไหมจนมาถึงบริพุทธเจ้าได้ตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมพธิยานอันนั้นทำปฏิเวท ธ, ธรรมจักรให้เป็นไปที่โพธิบาลังใช่ไหมพระพุทธเจ้าตัดสรู้อะไรสติปัฏฐานสมมปัฏฐานอิทธิบาทพุทธชงองม์มรรคเป็นต้น น, นะให้เป็นไปในขณะเห็นมรรค ถามว่าสติปัฏฐานเกิดในไหนในขณะแห่งมรนะักเนอะในขณะแห่งมรักเนะอันนั้นเกิดขึ้นในขันธสันดานของพระองค์เองแต่ยังไม่ได้เป็นไปในในสันดานของเวไนยสัตว์ใช่ไหมต่อมาพระองค์ยังทำจักให้เป็นไปแล้วคําว่าทำาจักให้เป็นไปแล้วเนี่ยจกักก็ปแปล ว, ว่าทําอะไรทําศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเป็นต้นทําสติปัฏฐานสมมปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์ โทษชงองมรนะ์เนี่ยให้เป็นไปในกระแสขันของเวนั ย, ยศัสตร์ทั้งหลายมีพระโกลธัญญาเป็นต้นใช่ไหมนั่นแหละเขาเรียกพระพุทธองค์เทศนาธร ร, รมจักรกับปวัตนสูต ร, ร, รให้เป็นไปแล้วในในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยธรรมจักรเนะี่ยจักรนั้นได้หมุนเนี่ยการหมุนวงล้อแห่งธรรมนั้นได้หมุนเข้าสู่กระแสใจของเวนยสัตว์แล้วแล้วปัจจุบันเนี่ยจักรยังหมุนอยู่หรือเปล่าอาริยมรรคองแปดยังมีอยู่ใช่ไหม อริยสัตว์ียังมีอยู่ยังหมุนอยู่เมื่อไหร่นอจะหมุนก็สู่กระแส จ, จิตใจของท่านทับสุแต่อย่างนั้นจะร้องว่าอนยาสีวัตโพคนทันโย่คำวาต่อไปก็คือว่าทัานพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศธรรมาจากให้เป็นไปแล้วเหล่าภูมิมเทวดาทั้งหลายก็ได้บรรลือเสียงอลองฟังการบรรลือเสียงของท่านดูนะภู ม, มิานางเทวานางสัตวนะ์ทั้งคือหลังจากทา เมื่อพระผู้ใหญ่ภาคเจ้าตัดธรรมเทศดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากธุลีปราศจากมวลทินได้บังเกิดขึ้นแก่โกนธัญญาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาที่แสดงว่าเกิดขึ้นนลยนะพอเกิดขึ้นมาแล้วต่อมาในเทวดาทั้งหลายเนี่ยนะฉันตาจะตุมได้ยินเสียงของภูมิมัตเทวดาได้เปล่าประกาศ พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมาจากกันยอดเยี่ยมที่ป่าอิสิปตนะมนลึกคายวันใกล้เมืองพราราณสีเป็นธรรมที่สมณพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครในโลกจะคัดค้านไม่ได้เนี่ยท่านท่านอุทานไปในลักษณะอย่างนี้นะท่านบอกว่าเราภูมิเทวดาได้แก่พวกเทวดาผู้อยู่บนพื้นแผ่นดินได้บรรลือเสียงได้สาธุการพร้อมเพียงกันทีเดียวกล่าวคําเป็นต้นว่าธรรมมาจากนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า ประกาศให้เป็นไปแล้วดังนี้เป็นต้นให้ได้ยินตามๆกันไปคําว่าแสงสว่างได้แก่แสงสว่างซึ่งมีจิตเป็นปัจจัยมีอุตตูเป็นสมุทฐานเนะแสงสว่างในใจเนี่ยเนะแสงสว่างในที่นั้นคือมีจิตเป็นปัจจัยมีอุตูเป็นสมุทฐานได้เป็นไปแล้วด้วยอนุภาพแห่งสัมผัสยุทธญาณก็แสงสว่างนั้นรุ่งเรืองก้าวล่วงเสียซึ่งเทวานุภาพของเราเทวดาในการครั้งนั้น เสียงเปล่งอุทานว่าอัญญาสิวตัตโพโกลธันโยเนี่ยได้แผ่ไปอยู่ตลอดหมื่นโลกธาตุโอ้โหตอนนั้นเน่เสียงกึกก้องมากนะเสียงบาลีคําเนี้ยอัญญาสิวตัตโพโกลันโยอัญญาสิวัตโพโกลธัโยเนี่ยกลธัญญะรู้แล้วหนอะกัญยะรู้แล้วหนาเนี่ยดังไปหมื่นโลกธาตุนะยิยงอยู่พระปีติสมนัอันโอลานยิ่ง เกินที่จะเปรียบได้ได้เกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าในเวลาจบลงเหมือนอย่างในการเริ่มประกาศธรรมจักรตอนนั้นน่ะแทบเป็นฉับพันนรังสีเลยว่ะงั้นเถอะเนพระวรากายของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเปลง่งเปล่งแสงว่าอุทานออกมาด้วยความสมนัตอย่างยิ่งเนี่ยธรรมคืออริยสัจสีอันพระโกนทัญย่าได้เห็นแล้วเหตุ น, นั้นโกนทัญญะจึงชื่อว่าทิฏฐธรรมโมก็แปลผู้มีธรรมอันเห็นแล้ว ผู้มีธรรมมันเห็นแล้วทัศนาเขแปลว่าความเห็นใช่ไหมแม้อื่นไปจากยานนะทัศนะก็ยังมีเพราะเหตุนั้นเพื่อจะห้ามทัศนาความเห็นแม้นั้นท่านพระธรรมสังหา์กาจาร์ท่านจึงตรัสว่าปัตตาธรรมโมผู้มีธรรมมันถึงแล้วก็การถึงอื่นก็การถึงแม้อื่นไปจากการถึงด้วยยานก็ยังมีเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าววิตตทิตาธรรมโมผู้มีธรรมมันแจ่มแจ้งแล้วเพื่อให้ต่างไปจาก การถึงอย่างอื่นความเป็นผู้มีธรรมอันแจ่มแจ้งแล้วนั้นย่อมมีได้โดยบางส่วนเพราะฉะนั้นท่านจึงตรัสในลักษณะบอกว่าอัญญาโกรธัญญานั้นมักคยานเมื่อจะยังมีปริญญาณากิจเป็นต้นให้สำเร็จด้วยอำนาจแห่งการตรัสรู้เป็นอย่างเดียวย่อมชื่อว่ายัางลงโดยการรอบรู้สู่ธรรมศ ส, สัจจะสัจจะทั้งสี่โดยสิ้นเชิงนะวิจิกิจฉาอันมีวัตถุ16และ8 เรื่องเหมือนกับกันดารอันมีเฉพาะหน้าของท่านอัญญาโกนัญญาท่านได้ข้ามได้แล้ววิจิกิจฉาสิบหกมีอะไรบ้างวิจิกิจฉาสิบหกมีอะไรบ้างวิชวิจิกิจฉาแปดมีไหมสงสัยในคนพระทูสงสัยในคนพระธรรมสงสัยในคนของพระสองก็มีใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยวิจิกิจฉาสิบหกเนี่ยนะที่มีวัตถุสิบหกให้ไปดูนเดี๋ยวไม่เข้าใจยุ่งเลยตรเนี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวไปขยายอีกทีก็แล้วกันนะเอาไว้ขยายทีหลังมันจะยาวลึกเกินหฉะนั้นวิจิกิจฉาสิบหกอันมีวัตถุแปดนะนซึ่งเหมือนกับกันดานนันเป็นที่เฉพาะหน้าของท่านอัญโยอัญญากณทัญญาเดําเนี่ยถามว่าวิจิกิจฉาเนี่ยเป็นกันดานนะเป็นกันดานความประมาทและความสงสัยเนี่ยความประมาทและความสงสัยเหตุนั้นพระอัญญากรทัญญาจึงชื่อว่าตินวิจิกิโฉ ผู้ข้ามพ้นความสงสัยได้แล้วอันเป็นไปอย่างนี้เป็นไปอย่างนี้คือบอกว่าเป็นอย่างนี้หรือไม่หนอเป็นต้นในประวัติการเป็นต้นของอัญญาโกลัญญาก็ได้ปราศจากหรือตัดไปได้แล้วผ้าอัญญากลัญญานั้นเป็นวิคตะกระถังกระโโถผู้มีถ้อยคําว่าอย่างไรไปปราศจากคือผู้บรรลุนั่นเองเป็นผู้ปราศจากความขั้นคลั่มได้เป็นผู้มีความเฉียบแหลมได้ละบาปธรรม ท, ทั้งหลายอันทําให้ขั้นคลั่ม แล้วก็ตั้งอยู่ด้วยดีด้วยคุณมีศีลคุณสมาที่คุณปัญญาคุณเป็นต้นอันเป็นปฏิปักต่อบาปธรรมทั้งหลายนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนั้น